บารมีรวมพระปฏิเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตว่าบารมีรวมหลวงปูดู่ ม, มะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิศกบฏทั้งหลายที่สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะก็ะตามรูปลักษณ์ของปูดูขอลวงปู่ทวดก็ตามจั ก, กรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกชาติข อ, อเชิญเทพหกชั้นผมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกพบทุกพรมสวดกำลังจั ก, กรพรรดิพรองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ชีวิตธรรมแูเจมิธรามังชีวิตธงรมกูเจมิสังขังชีวิตธงรมกูเจมิพุทธางวันธามิธรามังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาชาริยคุณังวันธามิมาตาปิโุคุณังวันธามิพระไตยศิษาคุณังวันธามินามตัสสะปะกะวะโตอารัหาโตพุทธะ นาโมทัสสะพากวลโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพากวโตอะราหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจานิ ทาังสารังคจามิสังขังสารังคจามิทูตามตังสารังคจามิทูิยามติธรรมังสารังคจามิ ภูติยาติสัฆังสารังกจามิตาติยมติพุทธังสารจามิตาติยาติธมงสารังกจามิตาติยามติสังฆัสรังกจามิ ปาณาติปาตาเวระมา i ีสิกขาปัฏฐางสัมมาทิยามิอาริยานาเระมานีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยาณิอารามะคาริย เวรามนีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิมูสาวาทาเวรามนีสิกขาปัาังสัมมาทิยานิสุราเมรยามาชท่อมารทานา เวรามิสิกขาปะทานสัมมาทิยานิอมานิอัจะสิกขาปะทานิิยาิอมานิอัจะสิกขาปะทานิสมาทิยาิอมานิอัจะสิกขาปะทานิ สีเลนสุขสิ่งยานสีสีเลน a โพกสัมปทาสีเลนะเนปสิ่งานติอาสัมมาวิโทธานะโมสัจ a ะภาคาวะโตอาหะสมะสัมพุทธะนะ สตอาคารจิมายาอิจฉาตัววะนโมพุทิสัตอากันจิมายานโมพุสิสัตว์พมังกรโนโมพุทิสัตว์รมังกโย นาโมโุทธิสดาพระมกันยเยโอโตโสโมหิตเตนาภทตะสังมิบาภะคะโธมายากามิเนกาตังโตจังจัปะอาสังจันตุยโอโตโสโมหิตเ นาธรรมะสังหิงปา a ะกัโตมายาขามะติเนกาตังโทสังสัพพะอาตังินาสังตุโยโทโสโมหิเจนา t รรมะสังหิงปาปะกัโตมายาขามะติ t าังโสัมสาพระอาปังทีนาสรรสุนาโมสสะพระกาวะโตอาโตตัมมะสัมพุทธะนาโมตัสสะพะวะโตอรหะโตั นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธะนาโมพุทธายะระพุทธายะตนะยะมะนีนภรัตสีสะาสะสุมา พุทธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมระบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารังคันธังศิวะริศมหาเถรงอาหังวันธานิสุรโตอาหัวันทานิทาสโย หังวันทามิสัพสุโพธะธรรมะสังฆูเจนินาโมพุทธายะราพุทธายะตนะยานมาอิโนปาระสีสะหาสุสัมมาพุทโธธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสัมภบูชาสีทานวะฐันฐันสีวริสมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิธาติโยอาหังวันทามิสัพสะโสบูชาธรรมะสัมภะูเชนี นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยาณนาโมพุทธาสีสะหาสัจธรรมนาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวะรังตังทัง สีวะริสังหาเสลาอาหังวันธามิสุรัโธอาหังวันธามิอาติโยอาหังวันธามิสัพพะโสพุธะธรรมะสังฆาปุชฌนินาโมพุทธายะวะพุทธาไตรยตระนัยยานมะนีนภะรา สีสาหาสัตสังนาพูทโธธรรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะพูทธมุชาธรรมะมูชาสังฆมุชาสีธานังวารังตันทังสีวรีจามาหาเถระอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาตโย อาหันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินโมพุทธายะลาพุทธะไตรลักษณญามะนีนภัสสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังกัรทางสีวะริจารมหาเถรังอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิทาสโยอาหังวันทานิสัพพโสบูชาธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานาอินอบสารสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอูตโมนาพุทธาลูทาธรรมนาลุาสังฆาลุทาสีทางวารังตัง สีวะริสังหาเถระอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิทัสโยอาหังวันธานิสัพสโสพุทธะธรรมะสังฆาภิเษนินาโมพุทธายะพระพุทธายะตัณหายะนาโมพระรา สีสะหาสัตตมนาพูทโธธรรมโมสังโฆยะถาพูทโมนาพุทาพุทธาธรรมนาพุทธาสังฆาพุทาสีทางวารังตังศีวารีจามาหาเถรังอาหังวันทาณิส ah ุรโตอาหังวันทาณิอาตโย อาหันทานิตัสโสพุทธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะรุทธไตรยธนราณมาหินอปสารสีสาหาสุตธรนมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังกัรธรรมสีวะรีจารมหาเถรังอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิอาตโยอาหังวันธานิสัพพโสบูชาธรรมะสังฆูเชนี นาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะญาณมาฮิโนปรัตถสาสะาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยาถาอุตโนาวุธลุทาธรรมนาลุาสังฆลุาสีธางวะรังปัญัง สีวลีสัมมาสีระอาหังหวันทานีสุระโตอาหังหวันทานีอาติโยอาหังวันทานีปะปะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุญญานาโมพทธายะระพุทธาทยะธรรมยามาโมภะรัต สีสาหาสุทัศนา佛陀ธรรมโมสังโฆยะถาภูทินา佛陀บูชาธรรมะบูชาสัมภะบูชาอาณังวะรังคันธังสีวารีสัมมาห์เจรังอาหังวันทาณิสุรัโตอาหังวันทาณิะาธโย อาหารวันทานีสัพปะโสโหท้าธรรมะสังฆอีเชยเอาแพรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมยา่าทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่วกรบในเรื่อนี้ทราบ เปโผตตาจับเปทัมมาจับเปทังกาอาลัพปตาปเจกานันจะยังพลังอาลหานตานันจะเจเจนารักธรรมปะปุปะเปพผตธาจับเจทัมมาจับเปทังา ฮาลาปัสตาสัจเจกานันจะยังังฮาลาหันตานาเนรักธรรสัเจพุทธาสัจเธมาสัเสังฆาาลปัสาจกานันจะยังพลัง ขันธานันตะเสเสนารักขังปันทานิสัพพโสสาเสภุทตาสาเสธรรมาสาเสสังกาปะตาปะเจขันั์เจยังพลังอาลาหันตานันจะเสเสนารักขังปันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะหาตสัเจกานัชยังพลังหาลานตานาลัสเฉนรักขังปันตามิสัพพทธังอธิษฐานิธรรมังอธิษฐานิสังฆังอธิษฐานิ ทิษฐานถ้าในทิฏฐานรวมกำลังจั ก, กรพัที่เราสวดทุกวันเวลาสับเทถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมะระกดหรือพระชีวนาพระเมงพระที่ทรงเครื่องอมันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กรพัทธิหรือพระละรังค์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 เทโพ I've t e เร็แล้ววันวันหนึ่งเนนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาป ท, ทั้งการกระทาและความคิดออท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้น โดยการรวมรวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำรังรวมหลวงพ่อดูค่ะพรมมะเป็นโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีทิเข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานสีเนคมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศสารเมเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พาลาปตาปเจกานจายังภรังอารันตาานจเจเจนะรกขังนิจปโสสาเตโพธาสาเตธรรมาสาเทสังา ปัาตาปาเจกานันเจยังพารังอา